เราอย่าให้สติมันขาดอันดับแรกอยาให้สติมันขาดพอสติไม่ขาดแล้วเนี่ยคอยสังเกตให้ดีๆว่าแม้แต่สติไม่ขาดเนี่ยในใจเราเนี่ยมันพาดซ้อนอยู่ตลอดมันพูดอยู่ตลอดไม่หยุดเราก็สังเกตเห็นมันเรื่อยๆไปเนี่ยก็สังเกตเห็นไปว่าแม้แต่สติไม่ขาดเนี่ยมันพากไม่หยุดพูดไม่หยุดไอ้ตัวนี้ดับไม่ได้มันเป็นขันห้ามเป็นชีวิตจนกว่าจะตายตาเนี่ยมองเห็นลงตาตลอดเวลาหูก็ฟังเสียงลงตาสอนอยู่เนี่ย แต่ต้องมีสติสังเกตเห็นว่าภายในจิตใจเราเนี่ยมันพูดมันพากมันคิดซ้อนอยู่ตลอดเวลาตัวนี้สําคัญมากนะตัวนี้มันจะทําให้เราพ้นทุกข์กับตรงนี้เพราะว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตไม่มีใครหรอกที่เหมาะตามองเห็นดงตาแล้วก็หูฟังเสียงดวงตาแล้วภายในจิตใจอ่ะจะไม่คิดจะไม่พูดไม่พากอะไรเช่นตาเขามองเห็นอยู่หูก็ฟังเสียงดงตาพูดรู้เรื่องอยู่ แต่เอ๊นี่มันหลายโมงแล้วนะเรามีนัดเอ๊ะจะต้องไปดูนะเอ๊ะอย่างงี้ยบางคนก็คิดอย่างนี้บางคนก็คิดอย่างงี้เออคิดโ อ, โอ้ตรงนี้นะโอ้บางคนก็คิดแล้วแต่ใครจะคิดอะไรเราสังเกตเห็นไหมะ่ะนั่นแหละถ้าเราสังเกตเห็นนีกเรีว่าเรารู้ธรรมในปัจจุบันธรรมในปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นปัจจุบันธรรมคือเราเห็นจิตที่มันฟาก ม, มันพูดมันคิดซ้อนอยู่เห็นตัวเราเนี่ยเห็นขันห้าคือตัวเราเนี่ยมันพูดมันคิดมันฟากมันซ้อนอยู่ไอ้ตัวเนี้ยเราดับมันไม่ได้มันนเป็ชีววิตตจก่าาะย แต่เราเนี่ยเป็นผู้เห็นเหมัอนซะแล้วก็ขันห้าก็ดับไปแต่เราไม่ดับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมแล้วเวลาตายคิดงานนะครับหลวงตาโอเคงานเราก็ตั้งใจคิดสิเวลาคิดตั้งใจคิดแล้วมันมีความตั้งใจจดจ่อไม่ให้แบบสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแฝงไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดผิดเราก็ตั้งใจคิดเราตั้งใจคิดงานแหละแต่ในจิตมันมันมันก็มันก็คิดซ้อนอยู่แต่เราตั้งใจคิดงานเนี่ยตัวตัวคิดงานก็เป็นสมาธิใจเป็นสมาธิในการคิดงาน แต่แม้แต่จารบิสมิตสมาธิอยู่าการคิดงานเนี่ยตัวสติปัญญาก็สังเกตเห็นว่าไอตัวผู้คิดงานเนี่ยภายในใจมันเมีความคิดติดต o อ g อะไรอยู่เราก็สับตะรู้ตัวในใจที่มันคิดติดต o อ g ตัวนี้งานที่คิดเนี่ยเป็นเครื่องร่ออเปลี่ยนเปเ็นงานเป็นเครื่องร่อไปเองานในงานที่คิดเนี่ยเป็นเครื่องร่อไอส่วนระหว่างคิดงานเนี่ยไขขอขันห้าเนี่ยมันก็จะพูดอะไรอยู่ในใจภากอะไรอยู่ในใจตลอดแล้วก็มีสติสังเกตเห็น มีสติสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ทํางานเนี่ยในใจเนะี่ยพูดไม่หยุดคิดติดตองอะไรไม่หยุดก็สัต่ตัววารู้สัต่ตัววารู้ในใจแบบไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นไปไปส ก, กัดกั้นไม่ให้มันคิดไอออตัวตึกนึกคิดติดต่องถาสมมุติตอนเราคิา เ, ราเราไปห้าไว้ได้ไปห้าแต่ว่าตัวนั้นเป็นหนา้าเป็นชีวิตกระดับมันก็ดับชีวิตเลยระดับ ม, ดมันกลายเป็นคิดงานไม่ออกตื้อทึบไปเลยงั้นใช่ใช มันก็ไอตัวไอตัวคิดงานก็คืออย่างหนึ่งคือความตั้งใจคิดตั้งใจคิดละงงานแต่พอมันตั้งใจคิดละงงานปุ๊บมันเท่ากับว่าเอางานได้่เป็นกสินคือเป็นเครื่องล่อแล้วก็พองานเครื่องล่อปุ๊บเราเอ๊มันไม่ขาดสติแล้วแต่เนี้ยเราก็เห็นใ้ขันห้าเนี่ยมันมันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันพูดมันพากเาอยู่ในใจเนี่ยไม่หยุดเลยขันห้าเนี่ยมันเป็นชีวิตเล่นดับไม่ได้ ตัวสติปัญญาที่ใช้คิดติดต่อ ง, งานก็เป็นอีกโลกอีกตัวหนึอีก็ค <LP> ือเรื่องของโลกลโอันนนเรื่องโลกไปเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่รู้เห็นจิตใจภายในไอ้เรื่องโลกก็เป็นเรื่องของการคิดเรื่องงานไปสติมันมีสติปัญญาในเรื่องโลกกับสติปัญญาในเรื่องธรรมสติปัญญาเรื่องการคิดงานไม่ผิดพลาด<อ>การทํางานไม่ผิดพลาดสติปัญญาในเรื่องโลกว่าตัวเร า, เรากำลังทําอะไรอยู่ครับเออย่างเช่นคนหนึ่งเขาดูแต่จิตข้างในเขาเลยลืม ลรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังขี่รถไปทํางานทํางานรถก็เลยชนเอา mm hmm. คือมันต้องมีความรู้สึกตัวด้วยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู mm ่ hmm. เป็นเรื่องของโลกไป mm hmm. มันจะเกื้อปัญญาทางทางโลกได้ไหยครับปัญญาทางาการคิดาการทํางานออืจิตใจมันไม่ไม่มีจิตใจของเราไปไปมีความทุกข์มันก็การคิดทั้งโลกมันก็ทะลุรอยเปเ็นเลยเมอถ้าเราไปจะกดจิตภายในไม่ให้คิดมันก็เท่ากับไม่ได้ทั้งคู่เลยก็นอกกัต mm ื้ครับ เราจะต้องมีสติปัญญาในการทํางานทั้งโลกคือตั้งใจคิดทะลุทะลุทะลวงเลยตั้งใจสังเกตตั้งใจเรียนรู้ต uh, ั้งใจศึกษาต้องใจก่อนทําความก่อใจเรียนรู้ศึกษาทําความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาสังเกตทําความเข้าใจต่อเนื่องไม่ขาดสายเราก็จะฉลาดเหนือคนอื่นนั่นคือทางโลกส่วนทางธรรมภายในใจก็เรียนรู้ศึกษาทําความเข้าใจเรื่องภายจิตใจเองไม่ขาดสายเพราะทำมันเป็นเรื่องรู้ของกายกับใจ ร่างกายจิตใจจะโล่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องรู้งานเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกดังั้นการเรียนรู้ศึกษาการเรียนรู้ศึกษาทํางานคล่องแก่ว่องไวป่าเปียวเรียนรู้ยิ่งขยันเรียนรู้ยิ่งสังเกตจดจําเรียนรู้ทางโลกมันก็ยิ่งฉลาดเหนือค น, นอื่นภายในจิตใจร่างกายจิตใจของเราเรายิ่งสังเกตรเรียนรู้ตาำความเข้าใจมันก็ยิ่งมีทำที่ชัดเจนละเอียดข้าไปเรื่อยๆมันต้องโลกก็อย่างหนึ่งทําก็อย่างหนึ่งแต่ทําค่แตควบผู้คนไป ดังเวลาเราทำงานทั้งโลกมีสติกติแล้วมันก็ค่อยๆพอลึกๆมันก็เริ่มตึงไปเรื่ยคการนี้กลายเป็นตื้อไปอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีอาการนั่คือมันไม่มีตัวที่ตัวสติสังเกตรู้จิตใจข้างในด้วยคือมันไม่มีสติสังเกตรู้ธรรมธรรมก็คือจิตใจข้างในว่ามันมันมันคิดรู้สกตองปรูงแต่งมันภาพซ้อนอะไรขณะที่เราเนี่ยคิดเรื่องงานเพราะว่าเราคิดเรื่องงานอยู่ในใจแล้วก็ภาพเช่นว่าเราคิดเรื่องงานหมกมุนเรื่องงานปุ๊บแต่ในใจเราก็ไปบ่นบ่นคนที่ใช้งานเรามาสมมติเถอะนะ ตัวดใช้งานมาหรือเราไปไปกังวลกับเรื่องอื่นแทนใช่ไหมเอเราคิดเนื้องานอยู่ดีๆแต่เราก็คิดว่าเอมันจะไปขายได้หรือการที่เราคิดจะไปขายได้หรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันอันนี้ไม่ได้เนื้องานไอตัวเนื้องานแท้ๆเนี่ยคือตัวตัวเหมือนกับตัวกระสินตัวกสินที่เราจะต้องคิดตั้งใจคิดคแต่ตัวที่มันเราคิดแจกซ้อนที่ไม่ใช่เนื้องานแท้ๆอันนี้เราจะต้องรู้ตัวันต้องมีสติปัญญาหรู้ตัวทตนตลอดแต่ไม่ใช่เราไปดับมันเราได้แต่รู้มันแต่ไม่หลงไปกับมันครับ เรารู้เห็นมันแต่เราไม่ไม่หลงไม่กลับมันแต่เราก็ไม่ไปดับมันครับถ้าเราหลงไม่กลับมันเราจะมีความทุกข์ความเครียดกวามวนจริงๆแต่ถ้าเราพยายามไปดับมันเราจะตะกดจิตจนดํามืดไปหมดเลยแล้วเราก็คิดงานไม่ออกครับแต่ถ้ารู้แล้วกลับมาคิดงานต่อมันหายไปก็เป็นธรรมดาของมันยังไงหมายถึงว่าพอเราเห็นความคิดนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็กลับมาคิดงานต่อเราก็คิดก็ไม่ไม่เราก็คิดงานต่ออเราไปเนี่ยเพราเราไม่ได้ขาดตัวตนนี่ครับต่อไปเป็นคิดซ้อนอยู่ในใจอ่ะ เราไม่ใช่ว่าเรามาเห็นมันแล้วก็หยุดเราก็เราทามันดับไปแล้วเรากกลับมาคิดงานต่อนะไม่ใช่นะคือเราเนี่ยก็มีมีไอ้ตัวงานนี่ที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นเป็นกสินเนอะแล้วก็รู้งานเราไปเรื่อยแต่ไในใจเราก็อแอบเห็นมันไปเรื่อยว่าในใจน่ยมันคิดซ้อนใน ง, ในงานเรื่องงานอยู่เราไม่ใช่ว่าไปทําให้ข้างในใจดับแล้วมันจะดับไม่เรื่องงานแล้วก็มันดับมันซ้อนกานนรคู่กันมสนผสมกันได้อยู่เงี้ยเออมันซ้อนกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ว่าอันนี้หายอันนี้เกิดอันนี้หายไปนี้ก็ดูได้เนี่ย ในขณะนี้เลยเนี่ยตาก็มองเห็นหลวงตาเนี่ยครับหูก็ฟังหลวงตาสอนธรรมะอยู่แล้วก็เข้าใจด้วยเข้าใจธรรมะที่หลวงตาสอนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ก, ก็รู้ด้วยเนี่ยแต่ในใจเนี่ยพูดไม่หยุดเนี่ยคือซ้อนขณะที่ตาก็มองเห็นนะหูก็ได้ยินเนี่ยแล้วก็เข้าใจธรรมที่หลวงตาสอนได้ว่าหลวงตาสอนเรื่องอะไรครับแต่ใ น, ในใจเนี่ยพูดซ้อนไม่หยุดพากไม่หยุดเนี่ยมันคู่กันมันซ้อนมันซ้อนกันมันซ้อนกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่เใช่ว่า พอในใจดับจึงไปรู้ข้างนอกข้างนอกดับจึงไ่รู้ข้างในไม่ใช่ดือมันรู้ซ้อนกันนี่แน่คือตาก็มองเห็นหูก็ฟังธรรมะลงตาอยู่เนี่ยแล้วก็ข้างในใจก็รู้ว่ามันแอบคิดอะไรอยู่เช่นว่าเออใช่ใช่ใชู่เราปฏิบัติผิดเนาะอย่างนี้โอ้ใช่ใช่ช่ไม่ใช่ออย่างนี้ว่าเอออย่างนี้ไม่เห็นมือย่างนี้่เลยอย่างนี้เออย่างนั้นออย่างนั้นอย่างนี้มันจะภาคอยู่เนี่ยแน่เพราที่ตาก็มองเห็นหูก็ใจทำเนี่ยแต่ใจข้างในก็ภาคอยู่นั่นแน่ เออหรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้เออตรงนี้เราก็ผิดนะเนี่ยเออทำไมเราฟังตรงนี้มันเอมวันก่อนทําไมไม่เข้าใจอวันนี้เข้าใจเข้าใจเออหรือบางคฟังไม่เข้าใจเลยอะไรก็พลาดก็แล้วแต่ใครของมันแม้กรทั่งความคิดตามก็เป็นก็เป็นความคิดนั้นเออมันก็พลาดไอ้ที่มนคิดตามซ้อนอยู่นั่นแหละความคิดที่ตามอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้ทั้งข้างนอกข้างในไหมล่ะแต่เรารู้ทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยไม่หลงแต่เรารู้ข้างนอกอย่างเดียว่หลงแม้แต่เรารู้ข้างในอย่างเดียวก็หลงนะครับ หลงทั้งคู่เออมันก็คู่ขนหายกันไปตั้งแต่กันนอรู้ทั้งขต่กนอกรู้ตั้งไงรู้นอกไหนอย่างคุณเดินจงกรมเนี่ยคุณนึกว่ารู้แต่ข้างในแล้วมันต้องรู้ข้างนอกด้วยถ้าคุณไม่รู้ข้างนอกเนี่ยคุณก็เดินชนน่นชนนี่ตายสิไอ้คุณเดินจงกรมอยู่เนี่ยคุณก็รู้คุณจะเดินไปไหนเดินไปหรือเดินกลับหรือเดินชนอะไรคพราะฉะนั้นคุกก็ต้องรู้ตัวอยู่ว่าคุณกาลังเดินอยู่ไอ้การที่รู้ตัวอยู่ว่ากําลังเดินไปเดินอยู่เนี่ยเดินไปไหนเดินเดินจะหันซ้ายหันขวาเดินจะตกทางจงกรม เดินจะชนอะไรหรือเปล่าอันนี้เรียกว่ารู้ตัวภายนอกอยู่แต่ภายในอะก็รู้จิตใจตัวเองตลอดเวลาว่ามันเนี่ยคิดระหว่างที่รู้ภายนอกเี่ยข้างในมันคิดตําซ้อนอยู่อะไรในใจคิดแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่คุณนั่งสมาธิอยู่เนี่ยคุณบอกว่ารู้ลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นรู้นอกแต่ระหว่างคุณรู้ลมหายใจก็ออกในภายในใจคุณเนี่ยคิดติดติดต่อปรุงแต่งแทร ก, กซ้อนตลอดเวลานั่นคือรู้ในมันรู้ควบคู่กันไปทีเดียวไม่ใช่ว่าข้างนอกดับเราจะมารู้ข้างในข้างในดับเราจะรู้ข้างนอกไม่ใช่รู้พร้อมกันเลย หลงมาแล้วก็ดึงกลับมาให้เร็วที่สุดใช่ไถ้าหลงคือมันความรู้สึกตัวมันขาดนะหลงเมาเผลอเผลอไปคิดอะไรเลยอันนี้ต้องนีต้องรู้สึกตัวขึ้นมาครับถ้าผู้ปฏิบัติแล้วถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยมันปฏิบัติมันจะไม่ไงสับสนนะถ้าไม่เข้าใจสเต็ปแบบเนี้ยไม่เข้าใจขั้นตอนไม่ได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยมันมันจะหลงนะปฏิบัติมั่วมากเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรทํามั่วๆไปเอ้ยมันมันมันต้องแบ่งระหว่างหลงหลงไว้ก่อนขาดสติเมอเบลอเผลอฟุงแต่งฟุ้งซ่านหมกมุ่นคุณคิดค อันนี้คือคนเราต้องแบ่งแบ่งกรณีหลงก่อนหลงต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนครับเมื่อรู้สึกตัวมาแล้วอ่ะเยเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคือทางานอะไรก็รู้สึกตัวอยู่ก็มีสติตระเกตเห็นอยู่ว่าข้างในใจเนี่ยมันพูดล้วพักไม่หยุดเลยอะตลอดเวลามไม่มีทานดับมันได้คนเป็นชีวิตเป็นขันห้าจนกว่าจะตายจะ ม, มีสติอยู่ปัจจุบันแล้วก็เห็นสองสิ่งคู่กันเอข้างนอกข้างในใจใช่ใชใชเขาต้องเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม เขาใช้คำว่าสติสมัญญาสมัญญาแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็สติการสังเกตข้างนอกสังเกตข้างในสังเกตทั้งโลกสังเกตจดจําเรียนรู้ตั้งความประจัยข้างในการสังเกตดูจิตใจของตัวเองดูร่างกายของตัวเองดูจิตใจของตัวเองสังเกตเห็นความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้จงทุกขังอนตั้ตาโลกกับธรรมมันก็เนี่ยก็ทําควบคู่กันไปชีวิตนอะ จึงควรจะตายโลกก็ดับลงโลกก็คือหน้าดับลงการใช้ชีวิตทั้งโลกก็ดับลงเหลือแต่ธรรมที่ไม่ยึดอะไรสิ่งที่หลวงปู่เทศสว่าสิ้นโลกเหลือธรรมไอ้โลกก็ดับหมดไอ้ตัวที่เป็นภาพอะไปในใจก็ดับไอ้ตัวที่ใช้ทํางานหาเงินก็ดับเหลือแต่ตัวผู้รู้ไปดับ Yes. Uh -huh.